ก็สองในชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยร้อปีนี้ก็มีแต่ความแปรปรวนเนี่ยนะแปรปรวนกรรมชรูปก็แปรไปเรื่อยใช่ไหมก็ตั้งแต่เด็กมาเนี่ย ต, ตอนเป็นเด็กอยู่ในครนนะรูปมันก็แปรมาตลอดใช่ไหมตอนคลอดออกมารูปก็แปรมาตลอดอายุจาก10ปีจากต้นมาจนถึง10ปี20ปีช่วง30 40 50, 50 70 80ิบห้าดสิบแป้อปีรูปก็ปรวนแปรไปตลอดเลย นะทั้งกรรมชรูปก็แปรไปจิตตชรูปก็แปรไปอาหารชะรูปก็แปรไปอุตุชรูปก็แปรไปและก็ไม่เกินร้อยปีนะไม่เกินร้อยปีตายหมดเลี่ยงแน่เนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เลยเลยเนี่ยนะไม่รู้จะไปสวดอะไรยืดอายุได้ยาวๆขึ้นนะนะไม่เกินร้อยปีก็เพราะ ม, มีการเพียงเท่านั้นแหลนะและก็เพราะปฏิเสธความเป็นของเที่ยง ใครจะทำให้รูปเหล่านี้เที่ยงได้ไหมให้ปฐวีเที่ยงปฐวีคือผมเที่ยงอาโปเตโชวาโยหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้มันมั่นคงให้มันถาวรให้มันตั้งมั่นใครทำได้ไหมก็ไม่มีใครทำได้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสรุปด้วยเหตุผลสี่ประการนั้นึ่ง เป็นไปด้วยอำนาจความเกิดและความเสื่อมสองแปรปรวน 3. ามมีการเพียงเท่านั้นสี่ปฏิเสธว่าเป็นของเที่ยงอันนี้คือเหตุผลที่ว่ามันไม่เที่ยงหรอกแต่เชื่อไหมท้ายเรายอมรับในความไม่เที่ยงนะในสังขารทุกที่เราจะไม่มีคำว่าเศร้าใจเลยแต่ที่เราเศร้าใจก็เพราะว่ามันน่าจะยั่งยืนอีกนิดนึงมันน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะยั่งยืนนะมันอะไรก็ตามแต่ยอย่างแก้วเนี่ย เราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่มันตกแตกบางทีเราเสียใจใช่ไหมไม่เสียใจคือเราคิดว่าอายุใช้งานมันน่าจะยาวกว่านี้อะไรกว่านี้แต่จริงๆมันก็ไม่เที่ยงวันยังค่ําอ่ะนะคือเราไม่ได้เจริญไอ้ความเป็นจริงเป็นเป็นปกติวิสัยอย่างคนตายเนี่ยนะก็สัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีแต่ทําไมเราจึงต้องเสียใจกับคนที่เขาตายไปเพราะเราคิดว่าเขาน่าจะยืดไปอีกหน่อยอีกหน่อยก็ยังดี อ ย, อย่างกแ็แม่บางคนที่ลูกตายไม่ก็ร้องให้เสียใจมากเลยก็บอกว่าเขาไม่ไม่ควรตายในวัยอันสมควรแต่เชื่อไหมพอคนแก่ตายอีกจริงก็ร้องให้อีกนั่นแหละก็ามาทิ้งให้เราเหงาอยู่แต่เพียงผู้เดียวกันนั่นนะก็สรุปว่าจะยังไงก็ตามความจริงของชีวิตศาตว์ที่เกิดมาแล้วก็ตายวันยังคำ่ำแต่อนิจจาวิปลาตก็หวังว่าให้ยั่งยืนต่อไปก็แล้วกันให้มันตั้งมั่นหน่อย ให้อายุเพิ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะเป็นของเที่ยงแต่ว่าเขาคิดอย่างไรเนี่ยนะยิ่งคิดขัดต่อความเป็นจริงเท่าไหร่เขาจะเดือดร้อนเท่านั้นแต่คนที่พิจารณาตามความเป็นจริงเนี่ยจะไม่เศร้าใจเลยนะก็คล้ายๆกับในชาดกเรื่องหนึ่งก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งปกติครอบครัวทั้งครอบครัวนี้เจริญมรณ า, านุสติทุกคน ทุกคนในครอบครัวนี้คิดถึงแต่ความตายพ่อก็คิดถึงความตายแม่ก็คิดถึงความตายลูกชายก็คิดถึงความตายลูกสะใภ้ก็คิดถึงแต่ความตายนี่มีวันหนึ่งอ น, นะพ่อพ่อกับลูกชายนี่ก็ไปไถนาแต่เช้าไอ้ระหว่างไปไถนา ง, งูก็กัดลูกชายตาย น, นะพ่อก็อะศพทิ้งไว้ตรงนั้นแหละตายแล้วก็มีคนเดินทางเข้าไปในบ้าน พ่อเนี่ก็บอกว่าให้เอาอาหารมาชุดที่เดียวก็พอไม่ต้องเอามาปกติต้องเอามาสองที่ใช่ไหมสั่งให้เอามาที่เดียวพอแม่กับลูกสะใภ้เนี่ยก็เอาอาหารมาให้หนึ่งที่มาถึงก็บอกโอ้โน่นตายแล้ว น, น, นะนะบอกลูกชายตายแล้ว่าก็พอกินข้าวเสร็จก็ไปช่วยกันยกลูกชายขึ้นสู่เชิงตะกอเอาฟืนมากองกองแล้วก็เผาทีนี้ลูกชายที่ตายไปนี่ไปเกิดในสวรรค์ก็ลงมา ก็มาถามว่าทําไมพวกใครตายเนี่ยเป็นศัตรูคู่เวรกันหรือยังไงทําไมไม่มีคนร้องใหม้มีใครเสียใจเลยก็บอกเขาเป็นลูกชายของฉันเป็นลูกชายที่รักด้วยนะไม่ได้รังเกียจ ด, ด้วยอนนะคนนี้ก็เป็นพ่อคนนี้ก็เป็นแม่คนนี้ก็เป็นเมียเหมือนนเอาทําไมสามคนนี้ไม่เสียใจเลยก็ถามพ่อก็อย่างที่ว่านะถ้าหากว่าคนางูลอกคราบไปงูจะอะไรเสียได้ยไหม คนที่เปลี่ยนผ้าเก่าทิ้งไปจะเสียดายไหมเขาก็ไม่ทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเขาก็ไม่อะไรเมื่อเขาไม่อะไรเราจะไปอะไรทําไมฝ่ายแม่ก็บอกว่าอา้าวตอนเข้ามาฉันก็ไม่ได้เชิญเข้ามาตอนเข้าไปเขาไม่ได้มาลาสักคําเลยแล้วฉันจะไปเสียใจทําไมอ่าคือสรุปว่าครอบครัวนี้เขาเจริญมรณ า, านุสติกันหมดและลึกถึงความตายกันโดยมากเมื่อ ล, ลึกถึงความตายว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้แล้ว จะไปหวังอะไรจากสิ่งเหล่านี้ให้มันเกินเป็นจริงเล่าความทุกข์ทั้งหลายที่ที่คนโดยมากทุกข์ก็คือคิดอะไรที่มันเกินความจริงเช่นความจริงมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตก็หวังว่าเที่ยงหวังว่าสุขหวังว่ายั่งยืนหวังว่าเป็นอัตตาหวังว่าตัวเนี่ยมีอำนาจในสังขารทั้งหลายก็เลยเศร้าโศกเสียใจ มันถ้าถ้าเจริญอ น, นิจจังหรือตามเห็นโดยความสิ้นไปเป็นปกติสัตว์ทั้งหลายจะไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่เนี่ยนะอันนี้พิจารณาชีวิตชั่วร้อยปีนะร้อยปีเนี่ยยังไงก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็มีความแปรปลวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็มีอายุประมาณเท่านี้นะไม่เกินนี้สักเท่าไหร่หรอกแล้วก็ใครทําให้ยั่งยืนก็ทําไม่ได้อันหนึ่งเพราะเหตุที่สังขารที่เกิดแล้วย่อมถึงความตั้งอยู่ ในคราวตั้งอยู่ก็ย่อมลำบากเพราะชราถึงชราแล้วก็ต้องแตกดับไปเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นทุกข์ น, นะจากจากไม่มีแล้วมามีขึ้นกองทุกข์ค่อยก่อตัวกันขึ้นใช่กองทุกข์ที่เป็นจากกรรมชรูปจิตชะรูปอุตูชรูปอาหารชะรูปเนี่ยมาก่อตัวกันขึ้นเมื่อก่อตัวกันขึ้นก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ยังไงตั้งอยู่ในความเป็นอะไรทารกที่อยู่ในคันทารกที่คลอดออกมาจาก คันพอเจริญเติบโตมาก็เริ่มเกิดชรามาเรื่อยพอถึงชราแล้วก็ตายแน่ตายแน่แนะที่ยมเขเล่านะว่าได้ยินเสียงหวอดังตายแหนตายแนเข้างั้ตายแน่นะสรุปว่าตายหมดแน่ไม่มีเหลือฉะนั้นจึงเชื่อว่าเป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์ล่ะเพราะเบียดเบียนเนืองเนืองมาจนบัดเดี๋ยวนี้อ้ยมันเบียดเบียนมาตลอดเลยนะ ใครมีรูปไม่เคยเบียดเบียนบ้างรูปภายในตัวนี่มันไม่เบียดเบียนกันเลยนะมีไหมในี้มีแต่ความเบียดเบียนอยู่ตลอดมันเบียดเบียนเนืองๆเลยนะเบียดเบียนตัวนี้มาจากคำว่าอาพาธนี่มันมันยังไงนะมันป่วยมันไข้เดี๋ยวมันก็เบียดเบียนเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ตัวร้อนเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็ไม่สบายนะ แล้วก็เดือดร้อนโดยสรุปนะนะเพราะมันเบียดเบียนกันอยู่เนืองสรุปว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะมันอาภาษโดยตัวของมันเองหมดเลยอวัยวะส่วนไหนที่มันป่วยไม่เป็นบ้างอาภาษไม่ได้บ้างไม่มีทุกแห่งนี่พร้อมที่จะอาภาษทั้งหมดโดยที่สุดมันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยนะที่มันมีกะโหลกหุ้มอยู่นะมันยังป่วยเลยตอนที่ไปอยู่เชียงใหม่ใหม่ๆห ม, มอก็บอกว่าเออท่านต้องไปฉีดยาวัคซีนหน่อยนะเขบาบอกงั้น ป้องกันโรคสมองอักเสบญี่ปุ่นบีเามาเงี้บอกเ่าด้วยสมองอักเสบญี่ปุ่นบีก็เราก็ไปฉีดยาฉีดวัคซีนอยู่สามครั้งบอกว่าทําไมก็บอกว่าพอสมองนี่มันจะเป็นเหมือนสมองฝีเลยก็คือสมองอักเสบไหมเขาว่าทั่วขั้วสมองนี่มันจะอักเสบหมดและบางคนที่เป็นโรคนี้นะก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราอยู่หลายปีกว่าจะตายหลับอยู่ใช้ความคิดความอ่านอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่กขาบอกว่าอยู่ใกล้เล้าหมูเป็นต้นต้องไปฉีดวัคซีนตัวนี้ป้องกัน แล้วก็บางประเทศเนี่ยนะ ท, ที่ยุงยุงยุงพวกนี้ยมันติดติดมาจากหมูมเ่ากันแล้วก็แล้วก็มีคนตายไม่ใช่น้อยเพราะเพราะโรคสมองอักเสบญี่ปุ่นบีตัวเนี้นะก็แสดงว่าสมองที่มันแข็งแข็งขนาดนั้นอที่มีอะไรหุ้มอยู่ขนาดนั้นใช่ไหมก็ยังอักเสบบางคนเนี่ยเป็นฝีที่มันสมองเนี่ยนะก็โดยที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็ยังป่วยยังไข่เส้นเลือดในสมองมันยังแตกเลยนะมันก็ยังยังไปอับชุกแข่งมันอาพาสหมดเลย มันเบียดเบียนได้หมดเลยนะแล้วก you know, ็แต ha right right right ่ละแห่งเนี่ยมีความลําบากหมดเลยคือที่ลําบากเนี่ยเพราะอะไรนะมันใช่งานมากแต่ละแห่งแต่ละแห่งในร่างกายนะน้ําตาหนึ่งคนที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยวันหนึ่งเกือบลิตรนะนะที่ที่มันดูดที่ที่มันคือระบบน้ําในร่างกายนี่มันมีการดูดซึมดูดซึมดูดซึมเนี่ยซึมแล้วดูดซึมแล้วดูดซึมแล้วดูดเนี่ยนะน้ำตาเนี่ยที่มันไหลทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะวันละเกือบลิตรนะ น้ำลาเอ่ยน้ำน้ำเลือดที่หัวใจมันปั๊มนะปั๊ปปั๊ปปสูบฉีดไปทั่วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหลายพันลิตรอ่าเป็นเป็นร้อยลิตรอนะไรเงี้นเธอที่มันบีบบีบบีบดูดซึมดูดซึมดูดซึมนน่อ่านะมีห้าลิตรแต่ว่าเขาถือปริมาณที่ว่ามันผ่าผ่านตรงนั้นหนึ่งครั้งเนี่ยก็ก็เก็บจํานวนเอาไว้อัะนะั้นก็คืนหนึ่งในหนึ่งปั๊มหนึ่งครั้งเนี่ยนะมันใช้เลือดออกไปปริมาณเท่าไหร่เขาก็คํานวณไปตามนั้น อย่างน้ําลายที่มันดูดซึมวันหนึ่งเนี่ยน้ําลายดูดซึมกี่ลิตรเนี่ยเขาจะคํานวณเลยเพราะฉะนั้นแต่ละแห่งในร่างกายเนี่ยมันใช้งานมากนะนะใช้งานมากอย่างเช่นตาของเราเนี่ยลืมตาหลับตาลืมตาหลับตากลิ้งตาไปกลิ้งตามานี่มันก็เสื่อมแล้วมันใช้งานมากอะนะเพราะมันแต่ละแห่งเนี่ยมันมีความลําบากนะมีตาก็ลําบากดู น, น, นะมีลำบา ก, ก็ลําบากหูมีหูก็โอ้ยเดือดได้ยินเสียงดงังๆก็เดือดร้อนอีกเนี่ยนะมีจมูกก็ลําบากหายใจน ลำบากมีฟันก็ลำบากแปลงฟันมีลิ้นก็ลำบากหารถมาให้มีศีษะก็ลำบากแบกศีษานะของเราต้องเอาวันๆเอาหัวตั้งเลยนะน้าหัวนะของเรากี่กิโลดีถึงห้ากิโลไหมน่าจะถึงนะเกือบห้ากิโลเนี่ยนะไม่แน่นะก็คิดดูนะต้องยกมันตลอดด้วยนะี่ยเอียงก็ไม่ไหนพับก็ไม่ได้นะต้องยกมันตายเนี่ยนะยกมันตั้งอยู่นั่นแหละก็ต้อง คือสรุปว่าลําบากมากในการบริหารดังนั้นก็ทุกคนก็ให้มันนอนอยู่อิริยาบดเดียวก็ลําบากอีกนั่นแหละนะนะบอกว่าถ้ากดทับตรงไหนมากตรงนั้นจะเน่าเรต้องบริหารไม่ให้มันกดทับนะนะต้องให้มันเต็นไปได้อย่างพอดีมันจะได้ไมนะ่คือสรุปว่าถึงจะบริหารยังไงมันก็อยู่ด้วยความลําบากอยู่ด้วยความลําบากร่างกายของเราเนี่ยมันต้องทุกแห่งเนี่ยมันต้องมีการไหลเวียนอยู่ตลอด ถ้าที่ใดไม่ไหลเวียนที่นั่นคือพร้อมจ ะ, นมจะนเน่ากนะ็พร้อมที่จะเน่าเนี่ยนะพร้อมที่จะเน่าเพราะแม้กระทั่งอย่างปากของเราเนี่ยสมมติถ้าใครไม่ดื่มน้ําเนี่ยปล่อยให้อมอ่มไม่ยอมอะไรเลยเนี่ยนะอมปากไว้เฉยๆแล้วพูดมาครั้งหนึ่งในเกล็นแรงมากแล้ก็ต้องมีการดื่มน้ํามีการบ้วนปากจะต้องมีอะไรประจําไว้ตลอดเนี่ยนะเพราะว่าอถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยน้ําลายมันก็ในสองสามชั่วโมงเนี่ยน้ำลายในปากก็เน่าละ มันก็มีกลิ่นปากโดยธรรมชาติไปนั่นแหละจะต้องบ้วนปากจะต้องเดิมน้ําจะต้องอะไรเพื่อที่จะดับสิ่งเหล่านี้ในสมัยใหม่ก็อาจจะหาเคมีหาอะไรมาค่อยบําบัดไปแต่ก็ชั่วคราวเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นแผลสดที่รักษาไม่หายรักษาอย่างไงก็รักษาไม่หายสรุปว่าในทุกส่วนของร่างกายนี่ลําบากมากในการอะตัวมันเองก็ลําบากแล้วก็ใครที่มาเป็นผู้ดูแลรักษาก็ ลำบากเนี่ยนะรักษาตัวเองก็ลำบากแล้วก็ทนได้ยากเนี่ยนะหมายความว่าแต่ละอย่างไม่มีความอดทนในตัวของมันเองเลยเนะยในร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนร่างกายของเราเนี่ยมันมีตัวไหนที่มันทนเก่งมากๆที่สุดทนมหาทนเลยมีไหมอย่า น, นะผิวหนังมันก็ลอกไปเรื่อยแสดงว่ามันไม่ได้มีความคงทนอะไรเลยทนได้ ย, ยากก็คือมันไม่ทนมันไม่คงทนแม้แต่นิดเดียวแต่ละอย่างนี้บอบบางหม ด, ดเลยอย่างนะ แล้วก็ที่เห็นเห็นเลยก็คือเป็นที่ตั้งอาศัยของทุกข์กขเป็นที่อาศัยของวิปริณามาทุกข์และตัวเขาเองก็เป็นสังขารทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวความสุขที่อยู่ในนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยนะไม่มีความสุขอยู่แท้จริงนั้นที่ตลอดร้อยปีที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะไปจนถึงวันตายเนี่ยก็มีแต่ความเบียดเบียนมีแต่ลำบากมีแต่ทนยากยากที่จะทนแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แล้วก็หาความสุขที่แท้จริงหาไม่เจอเลย หาไม่เจอเลยนึกถึงนะเคยเคยศึกษาประวัติศาสตร์บางอย่างเช่นอย่างไปอยู่เชียงรายนี่ก็นึกถึงก็งมาเป็นพระเชียงหายไปแล้วเนอบทบใจ้เชียงใหมล่ละเชียงหายไปละก็มานึกถึงว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อหลายร้อยปีนี่มีสมัยเชียงแสนสมัยเชียงแสนเนี่ยนะสังขารทั้งหลายก็นึ ก, น, กนึกถึงโอ้สมัยเชียงแสนมีพยาเมงรายที่ ที่เอาเมืองมาสร้างที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยนะแล้วก็คนในสมัยนั้นบ้านเมืองเจริญเคยเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะตั้งแต่สมัยอะไรเนยะสมัยโยนกนครสมัยอะไรของเขาอะในสมัยเหล่านั้นตอนนี้มีอะไรเหลือบ้างมีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่ซากอิดซากด่นซากหินซากสายที่มีอยู่บ้างพอมีอยู่บ้างก็มีอยู่ เท่านั้นเองแต่ว่าโดยรวมแล้วสังขารทั้งหลายไม่เหลือเลยนะแล้วพูดถึงว่ากองทุกที่เคยมีในสมัยนั้นนี่เหลืออะไรบ้างก็เหลือแต่ซากอิฐทิมเป็นดินเผาสรุปว่าไม่มีอะไรเหลือแม้แต่นิดเดียวสัตว์และสังขารที่มีอยู่ในสมัยนั้น น, นนะไม่มีเหลือแล้วทุกอย่างนี้จบสิ้นหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วของเราทั้งหลายนะอย่างสมัยอยุทยาก็ไม่เหลือใช่ไหมแล้ ว, ลวรัตนโกสินทร์นะ ก็คงจักแนวเดียวกันนะนะแต่จะอีกเท่าไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่สรุปว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละก็ไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนไม่ได้มั่นคงถาวรถ้าเรายังยึกนะอย่างเมืองเนี่ยส ม, ส ม, ส ม, ม, สมัย uh กรุงธนบุรีเนี่ยคนในสมัยกรุงธนบุรีมีเหลือไหมไม่เหลือสมัยก่อนก่อนกนกนก่นนั้นๆก็ไม่มีเหลือแล้วเนี่ยนะสังขารก็แตกทำลายไปอย่างนี้ไม่มีเหลือเลย แต่ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเหล่านั้นก็กองทุกข์ก็เบียดเบียนแล้วก็ลําบากทนได้ยากเป็นที่อาศัยแห่งทุกข์เพราะเกิดมาในยุคใดสมัยใดก็มีแต่ความป่วยความไข้มีแต่ความลําบากต้องทํามาหากินนะมีร่างกายเนี่ยนะมีน้ำมีร่างกายมีธาตุดินก็ต้องแสวงหาธาตุดินมาบํารุงร่างกายเนี่ยมีธาตุน้ําก็ต้องหาธาตุน้ํามา บำรุงร่างกายมีาธาตุไฟก็ต้องห า, าธาตุไฟมาบำรุงมีาธาตุลมก็ต้องหาลมมาบำรุงสรุปก็เลยหาดินน้ำไฟลมมาบำรุงอยู่ในร่างกายร่างกายจึงจะเป็นไปได้เพราะัมันลำบากมากในการถึงขนาดบำรุงได้อย่างดิบอย่างดีแต่ก็ยังไม่พ้นจากความป่วยความไข้ความลำบากเนี่ยมันก็ยังนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มันก่อนได้โ ย, โยมป่วยว่านั้นเออป่วยก็ป่วยดธรรมดาก็ของมันป่วยเป็นอนะ่ะ อันหเพราะเหตุที่ความอันนี้อนัตตาบ้างนะอันหนึ่งเพราะเหตุที่ความใช้อํานาจบังคับย่อมไม่มีแก่ใครๆในฐานะสามเหล่านี้ว่าสังขารที่เกิดแล้วจงอย่าถึงความตั้งอยู่เลยที่ถึงความตั้งอยู่แล้วก็อยากแก่เลยที่ถึงความแก่แล้วก็อยากแตกดับเลยอันนี้ชื่อว่าว่างเปล่าจากการที่ใช้อํานาจบังคับนั่นแหละไม่มีใครมีอํานาจจริงๆเลยนะไปสั่งว่าไอ้ที่เกิดมาแล้วอย่าตั้งนะ ไอ้ที่ตั้งอยู่ก็อย่ากแก่ไอ้ที่แก่แล้วก็อย่าตายใครมีอำนาจจริงๆนะในชีวิตของเราเนี่ยเอออย่ากเกิดเลยนะ เ, เกิดแล้วก็อย่าตั้งอยู่ในวัฏฏะนะไอ้ที่ตั้งอยู่แล้วก็อย่ากแก่นะไอ้ที่แก่แล้วอย่าตายเลยนะคุมอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเลยนะดูแลอะไรก็ไม่ได้ไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงอำนาจที่พอจะเป็นได้ตอนนี้นะเออเนี่ยลืมตาหูก็ขยับหูก็ไม่ได้นะสมมติว่าอ่ะพูดอ่ะ หายใจหรือขยับเยื้อเคลื่อนไหวนะส่วนที่พอจะมีอํานาจเหมือนก็คือส่วนตรงที่เป็นเกี่ยวกับจิตตชรูปที่ยังพอดูว่าเหมือนมีอํานาจอยู่บ้างแต่ขนาดนั้นถ้าปัจจัยอื่นๆวิบัติก็แย่เอาเอาตัวไม่รอดแต่ว่ารวมๆแล้วไม่มีใครมีอํานาจอย่างผงกหัวยุคลื่นลุกขึ้นยืนเดินนั่งนอนนี้ส่วนของจิตตชรูปที่มันเป็นไปได้อนะเพราะปัจจัยหลายตัวแต่ส่วนกรรมมชรูปก็ไม่มีอํานาจอะไรเลย นะตาที่ฝ้าฟางก็จงไซจงไซก็ไม่ได้ใช่ไหมความเจ็บไข้เป็นต้นอื่นๆก็ไม่มีอานาจไม่มีใครมีอำนาจในสิ่งเหล่านี้อย่างมากก็หาเหตุหาปัจจัยมาช่วยเนี่ยนะแต่ก็เออภาษาทางเนี่ยนะเขาก็แปลดีนะคำว่าพยาบาลเนี่ยของมาก็ฟังแล้วก็เห็นด้วยใช้ศัพท์ได้ถูกถูกตรงดีวยะบวกปาระปาระแปลว่ารักษาบาลตัวนั้นเนี่ยเช่นโคบาลก็เลี้ยงวัวนะ บานตัวนั้นแต่ว่ารักษาวยยายะก็เสื่อมก็ดูแลช่วยดูแลเรื่องความเสื่อมเท่านั้นเองไม่ได้ไปช่วยไม่ให้ตาไม่ให้เสื่อมนะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมเรียกว่าพยาบาลเพราะพยาบาลก็เสื่อมอย่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะทูผู้ที่ดูแลความเสื่อมก็ยังมีความเสื่อมสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครมีอำนาจไปอะไรจริงๆเลยนะกับ กับกายนี้ก็บอกโอ้หมอสมัยนี้ช่วยได้เอาแล้วหมอช่วยหมอได้ไหมล่ะหมอก็จุติกันประจำํำ น, นะปกติแต่จุติเป็นปกติเพราะพราะมีความตายเป็นปกติถ้ายิ่งหมอสมัยก่อนดีไม่ดีอาจจะอายุไม่ค่อยยืนด้วยซ้ําไปเกณฑ์เฉลี่ยแล้วอายุไม่ค่อยยืนอย่างหมอหมอรุ่นก่อนๆเพราะดูดยามากสูบบุหรี่จัดอะไรจัดเครียดสูงเป็นต้นเนี่ยนะ ก็เลยอายุไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่ในสมัยนี้อาจจะดูแลสุขภาพเป็นก็เริ่มอายุยืนขึ้นสรุปว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีตายหมดเนี่ยนะเพราะไม่มีใครมีอำนาจควบคุมดูแลบงการอะไรในสิ่งเหล่านี้เลยที่มันเป็นอนัตตาเพราะว่าว่างเปล่าอธิบายว่ามันเว้นจากความเป็นผู้ครองผู้สร้างผู้เสวยผลผู้ดูแลรักษา ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่มีสภาวะไอะคำว่าว่างเปล่าเนี่ยสภาวะแห่งรูปมีอยู่สภาวะแห่งเวทนาสภาวะแห่งสัญญาสภาวะแห่งสังขารสภาวะแห่งวิญญาณนี่มีอยู่แต่ไม่มีผู้ครองอยู่แท้จริงไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้สผสเสวยผลไม่มีผู้ดูแลรักษาอะไรอย่างแท้จริง mm hmm. ชื่อว่าเว้นว่างเปล่าคือว่างจากสภาวะที่คนพังบะคนพังคิดเอาเอง คนผ่านนี้คิดว่ากายนี่มันเป็นยังไงคิดว่ารูปเป็นยังไงคิดว่ารูปเป็นตนเป็นของของตนเป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะมีบ้างไหมเอาอะไรมาเป็นตนแล้วเอาอะไรมาเป็นของตนเพราะสิ่งเหล่านี้ว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลเป็นต้นเพราะข้อสองบอกเพราะหาเจ้าของไม่ได้หาเจ้าของดูอะไรเป็นเจ้าของของอะไรมีไหมสมมติว่าเอ้าร่างกายเนี่ยสมองเป็นผู้ดูแลอยู่หรือ ใช่ไหมหัวใจเป็นผู้ไปดูแลพวกนี้อยู่หรือคือสิ่งเหล่านี้มันมันทุกอย่างมันดํารงอยู่ด้วยปัจจัยปัจจัยมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นไปะนะมันไม่มีผู้ใดเป็นเป็นเจ้าของในนั้นอย่างแท้จริงเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาและก็เพราะไม่เป็นไปในอำนาจไม่มีการใช้อำนาจอะไรในกายนี้ได้อย่างแท้จริงเลยนะไม่มีและเพราะปฏิเสธอัตตาของรัฐที่เดรัตีทั้งหลาย เดียรถีทั้งหลายที่เขาคิดว่าในนี้มีอัตตาอย่างนั้นมีอัตตาแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอย่างที่พวกเดียรถีคิดขึ้นสรุปโดยสรุปในใจความในบทนี้นะข้อที่หนึ่งเนะี่ยอาธานะนิเคปะตั้งแบบต่ปฏิสนธิถึงจุติ สังขารทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไม่เที่ยงเพราะสรุปไปไม่เที่ยงนะนะชั่วร้อยปีเนี่ยมันไม่เกินนี้หรอกไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปถามว่าดูแลชีวิตร่างกายตลอดร้อยปีนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เนี่ยนะแล้วมีใครมีอำนาจในสิ่งเหล่านี้จริงจริงไหมไม่มั้นไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วก็เป็นอนาต่าด้วยเนี่ยนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็น ทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั่นแหละเป็นอนัตตามันชีวิตชั่วระยะเวลาร้อยปีหนึ่งก็ไม่เที่ยงโอสมัยนี้นะใครมียุโรยปีบอกโ อ, อายุยืนจริงเลยจริงๆอายุยืนมากถ้าเทียบกับสวรรค์ชั้นจาตุมนี่เท่ากับกี่ปีนะถ้าถ้าสมมติอายร้อยปีของเรานะถ้าเทียบกับจาตุมกี่วันสองวันจาตุม่มมีอายุเท่ากับหนึ่งวันของดาวดึง มีอายุเท่ากับครึ่งวันของยามามีอายุไม่กี่ชั่วโมงของดุสิตมีอายุไม่กี่นาทีของนิมมานารดีมีอายุไม่กี่วินาทีของปรินิมิตาวัสวัตดีมีอายุไม่ไม่ถึงวินาทีของพรหมอนะอายุนิดเดียวนะของเราเนี่ยนะแต่ขนาดนั้นใช้ชีวิตเหมือนอสงไข่ปีมั้งอ่ใช้ชีวิตเหมือนตายไม่เป็น่านะก็เป็นอย่างนี้เลย อันโอ้ยสมัยนี้ฟังบอกอุ๊ยตั้งร้อยปีนะโอ้ยทำบุญอะไรมาเนาะเนี่ยนะฟังแล้อถ้าเทียบแบบคนสมัยก่อนเลยนะโอ้โหแค่ร้อยปีเองเลยเหมือนกันนะก็บอกอย่างสมัยพระศีอาณ น, นะก็บอกเด็กหญิงอายุร้อยปีจึงจควรมีสามีได้สมัยภาษีอาณ์จะมาตรัสรู้นะเด็กหญิงอายุประมาณห้าร้อยปีเนี่ยจึงจะพอมีครอบครัวได้เหมือนนสมัยนี้เท่าไหร่ห้าหกสิบเอดขวบสิบสองขวบก็มีละเนี่ย ยห่างกันเลือกเกินนะสมัยนี้สมัยนี้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอะไรก็มีลูกกันแล้วนะก็ประเทศที่พัฒนาแล้วก็อาจจะนี้หน่อยแต่ประเทศไร้การพัฒนาจริงๆเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามปีนี้ก็มีลูกอุ้มกันแล้วนะที่ประเทศที่ไม่มีพัฒนาไม่มีการศึกษาเนี่ยนะเพราะมันโตแล้วมันทําอะไรมันกิจกรรมมันไม่มีอะไรเช่นกลุ่มขอทานเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ใช่อายุมากนะที่มีผัวแล้วก็ถ้าเป็นอินเดียด้วยแล้วก็เขาแต่จับแต่งงานตั้งแต่เด็กๆ นะเจ็ดแปดขวบก็จับมีสามีภริยากันแล้วเนี่ยนะากเกิดมาอีกเนะ้อลำบากแนะ่นี่ต่อไปนะมาดูข้อที่2วโยวุตัทะคมะเนี่ยนะที่บอกว่าพระโยคาวจรรั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปที่กำหนดไว้ด้วยร้อยปี โดยเกี่ยวกับการถือเอาและการปล่อยทิ้งไปอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นไปก็ย่อมยกขึ้นโดยถึงโดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปแล้วตามวัยหมายคือว่ารูปมันตั้งไม่ตั้งอยู่ไม่ได้นะมันตั้งอยู่เฉพาะวัยแค่นั้นนะนะมันจะเลยวัยนั้นๆไปไม่ได้ในคำนั้นเชื่อว่าการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัยได้แก่การถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งรูปที่เติบขึ้นคือเจริญขึ้นด้วยอำนาจแห่งวัยหมายคาะว่ามันก็โตอยู่เฉพาะวัยมันก็ดีอยู่เฉพาะวัยนั้นๆ น, น, นั่นแหละมันจะเลยวัยนั้นนั้นไปไม่ได้ความว่ายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยเกี่ยวกับการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัยสรุปว่าแก่ไปตามวัยนะวัยนี้แปลว่าอะไร เ, เสรื่อมกายขยะวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้พูดถึงว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้ตามความเสื่อม สุดท้แว่ามันเสื่อมมากี่ปีแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตามจํานวนนั้นๆไปคืออย่างไรคือว่าพระโยคาวจร น, นั้นย่อมแบ่งร้อยปีนั้นนั้นแหละโดยเป็นไวัยโดยเป็นสามวัยนะสามวัยนะวัยที่หนึ่งวัยที่สองวัยที่สามคือปฐมวัยโดยมัชชิมะวัยและปัชชิมะวัยปฐมแปลว่าเริ่มใช่ไหมเริ่มต้นมัชชิมะก็ข้ามกลางปัชชิมะก็จบ สามวัยนั้นก็แบ่งเป็นร้อยปีก็หารสามก็เท่ากับสามสิบสามปีสามเดือนสามสิบสามปีสี่เดือนใช่ไหมประมาณสามสิบสามปีกับอีกสี่เดือนอันนี้เรียกว่าปฐ ม, มวัยใช่ไหมสามสิบแต่ตรงนี้ท่านบอกท่านแบ่งง่ายๆว่าวัยต้นคือสาสิบสามปีวัยที่สองก็สามสิบสี่ปีวัยที่สามก็สามสิบสามปีอันนี้นี่เฉลี่ยแบบว่ากลางคนนานหน่อย บางคนก็ถือว่าช่วงเท่าไหร่อายุสามสิบสี่ถึงเท่าไหร่นะ่จนถึงเจ็ดสิบเท่าไหร่ก็ขออภัยถึงหกสิบเจ็ดนะประมาณอายุตั้งแต่สามช่วงตั้งแต่สามสิบามปีจนถึงหกสิบเจ็ดเนี่ยนะนะประมาณนั้นแหละถึงหกสิบ็ดนี่เรียกว่ามัชชิมะไวหลังจากนั้นก็ปัชชิมวัยอันนี้สมัยคนอายุร้อยปีเนะี่ของเรานี่ยหูย มัชชิมะไวของสมัยนั้นคือปัจจิมมะไวของสมัยนี้เขาจนไม่ให้ทํางานแล้วเกษียณเธอกเกษียณเธออย่างนี้เขาเลยปลดเลยแต่ขนาดนั้นหลายคนก็ไม่ยอมกเกษียณขอทํางานต่อเพิ่มเป็นอะไรนะขอให้มาได้กี่ปีนะ65ปีใช่ไหมขอให้65ปีเกษียณใช่ที่ข้าราชการครูเขาไปไประท้วงอ่ะให้ต่ออายุราชการให้เพิ่มขึ้นนงนะยันชุนี้ไม่เอาต่อมั้งไงไม่เอานะเขาเขากลัวกเกษียณกันที่สุดเลยนะ เพราะว่าทําไมรู้ไหมเขาบอกว่าผู้ที่กเกษียณไอตอนที่ทํางานอยู่นะกระชับรชรกระเฉงพอเกษียณมาไม่กี่ปีก็ตายแล้วคือชีวิตมันเหี่ยวเฉามันอับเฉามันไร้อํานาจมันอะไรก็ไม่รู้หลายคนนะเราดีใจที่ได้เกษียณได้มาศึกษาธรรมะสักทีหนึ่งนะก็ <c oughs> แล้วแต่ใครอ่ะนะเขาว่าแต่ว่าโดยรวมๆแล้วโอ้โหเขากลัวกเกษียณกันมากบางคนนี่กเกษียณแล้วก็ยังแอบมาแต่งตัวตัวเองแบบสมัยเคยเคยทํางานอยู่นะโอยติดข้องห่วงแหนอะไรอวรนมาก สรุปว่าแบ่งว่าสามสิบสามปีแรกสามสิบสี่ปีที่ตองแล้วก็สามสิบสามปีสุดท้ายครั้นแบ่งโดยเป็นสามวัยเหล่านี้อย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ว่าโรคที่เป็นรูปเป็นไปในปฐมวัยยังไม่ถึงมัชชิมะวัยเลยก็ย่อมแตกดับไปในปฐมวัยนั่นแหละโอนี่ถ้าพูดตามนี้นะของมาก็ยังปฐมวัยอยู่เลยนะเนี่ยแต่ว่าอันนั้นสมัยนั้นนะ สมัยนี้ไม่ใช่แล้วก็คือมันไม่ถึงอ่ะนะมันไม่ถึงมันก็เสื่อมไปเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นไปในปฐมวัยนั้นจึงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานะเพราะมันมันก็สิ้นไปแล้วในวัยนั้นนั่นแหละมันก็ทุกข์ประจํำวัยอ่ะนะคนวัยต้นก็ทุกข์แบบวัยต้นใช่ไหมเขาบอกว่าสมมติว่า ตั้งแต่อายุตอนต้นไปจนถึงประมาณ30มสิปีทุกอย่างไงทุกเพราะการเล่าเรียนทุกเพราะการครองชีพทุกเพราะการเกี่ยวข้องกับคนทุกเพราะเกี่ยวกับเรื่องทำเรื่องเรียนเนี่ยแหละโดย ท, ทั่วไปนะเรื่องเรียนเรื่องประสบะการณ์ชีวิตเนี่ยทุกมากอันนี้คือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาแล้วถามว่าช่วงหลังจากนั้นไปก็ทุกอีกอย่างหนึ่งทุกเพราะแสวงหาทำมาหากินบางคนก็มีลูก ยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะช่วงระหว่างนี้ก็ทุกข์ก็ต้องทํามาหากินต้องเลี้ยงลูกต้องโอทําธุรกิจอะไรเข้ามาเต็มยุ่งไปเยิงไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าทุกข์แบบคนกลางคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปในปัจฉิมอรูปในมัชชิมวัยก็ไม่เที่ยงเลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็เสื่อมอยู่ตามนั้นนั่นแหละเป็นไป แม้รูปที่เป็นไปตลอดสามสิบสามปีสามสิบสามปีหลังในปัจฉิมวัยเนี่ยนะก็ไม่เกินเลยไปกว่า น, นั้นหนักเลยก็เลยไม่กี่วันเหรอนะก็เลยก็เลยไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยนะไม่สามารถเลยไปหาเกินกว่า น, นั้นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในปัจฉิมวัยก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเพรา ะ, ะนั้นฟังว่าวัยต้น นะถ้าถ้าสมมุติว่าใครเจริญตีรณะปริญญาณนี้มาดีบอกคนนี้อายุเท่าไหร่บอกว่าช่วงเออเนี่ยไม่เกินสามสิบปีแคฟังแล้วกว็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาใช่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาบอกว่าฟังาอายุเท่าไหร่30 40ี่เป็นต้นก็เอามัชชิมวัยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็น ทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาบอกอายุหกสิบเจ็สิบไปแล้วก็สิ่งไรไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะนักกลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระอะไรเลยเนี่ยนะสาระอะไรเลยก็หลายๆคนมานั่งยืนยันได้ตรงนี้นะว่าชีวิตที่ผ่านมามันดียังไงคุณป้าจเจรนายเล่าให้ฟังได้มไห ม, มันดียังไงที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้แล้วนอกจากชาติชรามรณะเนี่ยนะมันดีตรงไหนบ้างเพิ่มขึ้น บอกว่าเออดีจะได้มาเรียนธรรมะเอ้าเรียนธรรมะก็เพื่อพ้นชาติชารามรณะนี่แล้วจึงมาเรียนยนะนะถ้าไม่มีาชาชรามรณะก็คงไม่ต้องศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมาจะเล่าหน่อยั้มอ๋อยังนะแล้วอุบๆกไว้ก่อนก็จริงนะว่าชีวิตของผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ได้อะไรบ้าง นี่แหละก็ได้กองทุกข์ขึ้นมาเนี่ยได้มันบริหารเหมือนทุกวันนี่แหละที่จริงเรียนธรรมะก็เรียนเพื่อให้พ้นจากทุกขเหล่านี้นี่แหละถ้าสิ่งเหล่านี้ดีจริงเราไม่รู้จะออกไปทําไมใช่ไห ม, ไมนะถึงถึงดีถามว่ามันดีแบบวันนี้ตลอดไปไหมล่ะอ๋ อ, อ ก, ก็ไม่ตลอดเนะยนะมันก็อย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้แหละ้ะนั้นก็มาฝึกคิดนะว่าชีวิตแต่ละวัยวัยต้นวัยกลางและวัยปลาย ในห้องเรานี่มีแต่วัยกลางกับวัยปลายแล้วนะวัยต้นก็ไหนยุมากกว่าทำไมก็จริง้องมาเนี่ยในเนี่ยเราอ่อนที่สุดละเออมเล็กเออจมเล็กห ล, ล่อนน้อยนนัะนะเดี๋ยวอีกสิบปีก็จะไปพูดคำนี้ละอีกยี่สิบปีก็เป็นอย่างอื่นไปแล้วนะ คือหมายว่าเป็นคุณป้าคุณยายคุณอะไรไปแล้วคือสรุปว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยนะในแต่ละวัยนะปฐมมาวัยก็ไม่เที่ยงมัชชีมาวัยก็ไม่เที่ยงปัจฉิมาวัยก็ไม่เที่ยงอนะนะยังละอ่อนลอ่อนนะก็ยมต้นนะนะอย่างน้อยแต่ว่าสรุปพออีกยี่สบสาสิบปีก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วสังขารมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะเมื่อสามสิบปีที่แล้วเราทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นเช่นนี้ใช่ไหมและอีกสามสิบปีข้างหน้าต่อไปเราจะเป็นเช่นไร ก็นี่แหละก็เป็นสิ่งที่มีชาติชราพยาธิมรณะเป็นธรรมดานี่แหละงั้นการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะมันจะทําให้ไม่หลงระเริงในวัยเพราะศาตร์ทั้งหลายจริงๆก็เมาในวัยเมาในชีวิตอย่างคนอยู่วัยต้นนี่ปกติในเมาในวัยว่าเออเรานี่วัยยังน้อยอายุยังน้อยพอคิดอย่างนี้เข้าก็เลยไปทําอะไร โดยทั่วมากโดยมากใครที่คิดว่าตัวเองไม่แก่ไม่ตายเนี่ยนะ <c oughs> เาเอาชีวิตร่างกายที่เหลือไปทำบาปเอาไปทำอกุศลมีอย่างต่างๆนี่ในหนึ่งในหนึ่งเขาบอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองจะอยู่อีกนานอยู่อีกนานตัวเองไม่ป่วยไม่ไข้แล้วเอาสุขภาพไปทำอะไรก็ <c oughs> ไปทำอกุศลโดยประการต่างๆคนคนที่คิดว่าตัวเองไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายเนี่ยนะ <c oughs> สังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งบาปแล้ว อกุศลเป็นที่ตั้งแห่งการทำความชั่วทางกายวาจาและใจสะสมแต่บาปสะสมแต่อกุศลสรุปว่าสะสมแต่กองทุกเนี่ยนะพิจารณาจนสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลไม่เป็นที่ตั้งแห่งกองทุกจะนึกถึงวัยใดก็ตามอันที่ยังภาษาธรรมะนะท่านบอกคำว่าวัยนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมสิ่งอ่ะ น, นะ อะไรนะสิ่งไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดามันคาว่าไวเนี่ยวยะตัวนั้นเขาอยู่ในชุดว่าอนิจจังสังขตังปฏิจจสมุปปนังขยะธรรมังวยะธรรมังนิโรธาอนิโรธาธรรมังวิปรินามธรรมังเนี่ยนะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความ เสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้คือปกติของสังขารทั้งหลายเขาก็เป็นเช่นนี้แหละเขาก็เป็นอย่างนี้นี่แหละนี่คนเข่าทั้งหลายผู้ไม่ได้ทำปริญญาเข้าเออเธอยังเด็กอยู่อายุยังน้อยยังอุ่ยอีกนานเนี่ยนะเขาส่วนใหญ่เขาจะพูดอย่างนี้นะ เขาบอกว่าถ้าไปเจอคนแก่ก็บอกเออก็ดูเหมือนไม่แก่เน่ยนะเหมือนกับว่ายังอยู่อีกนานสรุปพื้นฐานคนในโลกนี้ชอบเจริญนิจจาวิปลาสนะนะเจริญสุขวิปลาสแล้วก็เจริญอัตตาวิปลาสเจริญความเมาตัวเองก็เมาไปพูดในคนอื่นเมาตามไปอีกนะคือเมาในอะไรเมาในความเมาในวัยเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโรคเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในความงามเมาในความเที่ยงเมาในความ ว่ามันยั่งยืนเมาว่าตัวเองมีอํานาจมันก็เป็นข้อปฏิบัติในโลกนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความมัวเมาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสางจากความเมาเหล่านี้นั่นเองในชุดต่อไปท่านบอกว่าโดยทศกะแบ่งเป็นทุกๆสิบปีใช่ไหมให้เกี่ยวกับเรื่องแบ่งทุกสิปีนี้พักสักครู่ก่อนดีกว่าแล้วค่อยมากล่าวต่อไปดีกว่าเนาะ